เรื่องวิถีจิตในส่วนปัญจะทวารวิถีที่เราได้พูดเน้นเฉพาะแต่ปัญจะทวารวิถีในส่วนของจักขุทวารวิถีก็จะขยายพูดครอบกลุ่มไปถึงโสตทวารวิถีคานะทวารวิถีชิวหาทวารวิถีและกายะทวารวิถีไปด้วยเพราะว่าในลักษณะส่วนใหญ่ก็จะคล้ายกันทั้งโดยประการต่างๆเว้นแต่เฉพาะรายละเอียดบางส่วนบางประการเท่านั้น คือว่าวิถีจิตทางปัญจทาาวารวิถีนั้นถ้าเรานับโดยขณะแล้วนะครับจะมีขณะอย่างเต็มบริบูรณ์สิบเจ็ดขณะดังที่ผมจะได้ใช้ภาพไปดูต่อไปนี้โดยกำหนดตั้งแต่อติตาพวังเป็นขณะที่หนึ่งอติตาพวังนะั้นเราจะพูดกันคราวหน้าโดยพิสดารขณะที่สองก็คือทีเขียนย่อวันนะย่อมาจากพวังมจรณะนะและขณะที่สามคือท้าย่อมาจากพวังกุปัดเฉ ท, ทะ อาณาที่สี่ปะย่อมาจากปันจัทวาราชนะอันนี้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่ามาต่างกันตรงจุดหรือตรงลำดับถัดไปนี่แหละครับที่เขียนว่าทวิทวินันถ้าหากว่าเป็นการเขียนแยกเฉพาะทวานถ้าทางทางปัญจักขู่ทวานก็จะเขียนย่อด้วยคำว่าจัหรือจักขูซึ่งย่อเฉพาะจักขู่ทวานเรือาจักขูวิญญาณที่ทำหน้าที่เห็น แต่ถ้าเขียนว่าทวีนเนี่ยแปลว่าทวีปัญจวิญญาณคือนับห้านับห้าเลยจากขู่วิญญาณโสตวิญญาณคานาะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณรวมอยู่ในคําว่าทวิอาท่านที่ยังไม่ได้ผ่านจิตปรมัดมาอาจจะฟังลําบากนิดหนึ่งตรงนี้นะครับเพื่อผมจะไม่ขออธิบายตรงนี้ก็เอาความว่าทวีนั้นย่อ ม, มาจากวิญญาณครบทั้งห้า คือวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางดิ้นทางกายและทางจัตใจไม่เกี่ยวแค่ทางกายอ่าเป็นอย่ที่เป็นจุดต่างถ้าพูดรวมๆก็เรียกว่าทวีอ่าถ้าพูดแยกก็เป็นจักขู่วิญญาณโสตวิญญาณกาวิญญา ณ, ณ, ญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณในลําดับที่เหลือถัดจากนั้นไปเหมือนกันหมดการอธิบายต่างๆนั้นเป็นอย่างเดียวกันทั้งสิ้นเลยคือที่เขียนย่อวสอเนะมาจากคำวสัมมติจนะย่อวะนะ่ะณั้นมาจากคําว่าสันติชนะที่ทําหน้าที่พิจานาะ อันนี้เป็นการทบทวนกันไปด้วยนะครับแล้วก็โวนั่นก็คือโวรธภระรณะทำหน้าที่ตัดสินชอช้างตัวเดียวนั้นมีเจดนะครับมีอีก7แปลว่าตั้งแต่อติตะมาจนถึงโวรภะณะนั้นเรานับโดยขณะแล้วก็ได้ทั้งหมด8ชวนะอีก7ชอช้างชาวนะคือทาหน้าที่เสพอารมณ์หรือแล่นไปในอารมณ์อีก7ก็รวมเป็น15หเหลืออีก2ดวงข้างท้ายสุด คือตะทาลัมพนะที่เป็นตัวหน่วงอารมณ์มีอีกสองคณะรวมเป็นสิบเจ็ดทำไมถึงไม่ทไมถึงไม่เกินสิบเจ็ดอันนี้ท่านก็มีคำตอบมีเหตุผลที่เราจะพูดกันในคราวหน้าอย่างอย่างละเอียดถึงจุดนะครับทีนี้จะเชี่ยเห็นจุดต่างระหว่างวิถีทางตาทางหูทางจมูทางลิ้นทางกายห้าทางนี้ว่ามีจุดต่างกันตรงไหนบ้าง จุดต่างกันนั้นก็ต่างกันที่อารมณ์หนึ่งประสาทหนึ่งแล้วก็วิญญาณอีกหนึ่งถ้าชี้ตำแหน่งให้เห็นชัดเจนลงไปก็คือสามตำแหน่งนี่เองครับคือถ้ารูปารมณ์ได้แก่อารมณ์คือรูปมากระทบที่ตานะครับเราตอนน้องเน้นว่าที่ตาอย่าไปพูดกระทบที่หูไม่ได้มันกระทบได้เหมือนกันรูปอารมณ์กระทบหูแต่ไม่เกิดอะไรขึ้น กระทบตั้งหูตาจมูกกทะทบหมดเมื่อมีรูปารมณ์มากระทบที่ตาคือที่ประสาทตานี่อารมณ์ที่มากระทบตานั้นมีผลสืบเนื่องไปถึงจิตแต่ว่าวิถีจิตที่จะเกิดเพราะเหตุปัจจัยสองอย่างนี้มาสัมผัสกันจะต้องเป็นจักขูุทวารวิถีแน่นั้นเมื่ออารมณ์กระทบตาปุ๊บจิตคือเพ่าวังพระจิตนั้นจะไหว เราก็เรียกพวังจิตไหวนั้นว่าพวังขจรณนะแล้วก็ไหวอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเรียกพวังคูปัตเฉทะและเมื่อไหวครั้งสุดท้ายแล้วก็ถึงจิตอา ร, ราชนะเป็นความรู้สึกแรกตื่นปรากฏเกิดขึ้นด้วยอำนาจของอารมณ์ถัดจากนั้นจากคูวิ ญ, ญญาณก็เกิดแล้วก็เดินไปตามลำดับของวิถีจิตที่เรียกว่าจากขูทวารลวิถีอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าเสียงไปกระทบหู เสียงที่ไปกระทบหูนั้นก็ยังผวังขจารณะให้ไหว้พวังกุปัดเชืาเกิดขึ้นตัดกระแสผวังปัญจทวาราชนะก็ตื่นเพราะเสียงกระทบหูแปลว่าตื่นทางหูและเมื่อตื่นแล้วโสตวิญญาณก็ทำหน้าที่ได้ยินที่หูจิตขณะอื่นก็ทำหน้าที่สืบต่อไปเหมือนกัน ทำกิ่เหมือนกันอธิบายเหมือนกันอุปมาเปรียบเทียบที่เราจะพูดตัดจากนี้ต่อไปนี่เหมือนกันหมดอนี่ก็เป็นการพูดไล่ตามลาดับให้ชัดชัด ช, ช้าๆเพื่อเราจะได้แม่นยำในการทรงจำเรื่องเหล่านี้ถ้ามีกลิ่นมากระทบจมูกเมื่อกลิ่นมากระทบจมูกคืออายตนะภายนอกได้แก่คันทายตนะมากระทบอายตนะภายในคือคานายตนะ ทันทีที่กลิ่นกระทบจมูกนั้นผวังก็ไหวไหวเพื่อละอารมณ์เดิมของตัวหรือผู้ดอีทีก็คือไหวเพื่อจะตื่นแต่ยังไม่อาจจะตื่นในขณะนี้ก็ไหวอีกครั้งหนึ่งเป็นเพราะผวางกุปตเจตาแล้วก็ถึงจิตตื่นเป็นการตื่นทางจมูกที่เคยบอกแล้วว่าเวลาเราตื่นบางทีก็ตื่นเพราะคือการนอนหลับในชีวิตประจำวันเราเนี่ยบางทีก็มีเสียงมากระทบ บางทําให้เราตื่นบางทีก็มีรูปมากระทบทําให้เราตื่นมีแสงสว่างมาแยงตาทําให้ตื่นบางทีก็มีกลิ่นมากระทบทําให้เราตื่นบางทีก็มีรถมากระทบทําให้เราตื่นบางทีก็มีโหดถัพทะมากระทบทําให้เราตื่นนะฮะไอทวารที่เราจะตื่นเพราะอิทธิพลของอารมณ์หรือที่เราใช้อารมณ์ปลุกกันให้ตื่นนั้นจะเป็นอารมณ์ทางหูกับอารมณ์ทางโหดถัพทะสองอารมณ์นี้ ถ้าเป็นคนที่ไม่เป็นคนขี้สาวไม่เป็นคนขี้สาวนะครับก็จะตื่นแม่ทวารอื่นคือรูปมะกระทบตาไฟใครเปิดไฟก็ตื่นแล้วหรือมีแสงรอดมาก็ตื่นแล้วหรือมีกลิ่นอ่อนๆอมากระทบจมูกเนี้ยกลิ่นนี่เป็นเครื่องปลุกที่ใช้ปลุกคนขี้สาวได้ผลยากมากนะครับต้องเอาไอ้ยาแยงเข้าไปในในโพรงจมูกอันนี้เป็นการปลุกไม่ใช่ปลุกดังภาษาจมูกนะ ถ้าเอาอะไรแยงเข้าไปทางจมูกนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ปลุกด้วยกลิ่นแต่ปลุกด้วยประสาทกายที่อยู่ในนั้นเขาก็จะคันแล้วก็ตื่นมงคลก็เอามือปัดๆแล้วก็หลับต่อก็มีแล้วแต่ใครกี้เตามากกี่เต้าน้อยทางรถก็เหมือนกันทางรถเนี่ยปลุกให้ตื่นได้ค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่ารถนี่ก็จะเป็นรถในปากของเราเองนอกจากว่ามีใครเอารถอะไรมาใส่ในปากเราเอานี่เป็น อารมณ์แต่ละอารมณ์มากระทบทางไหนทาวารก็จะเกิดขึ้นทางนั้นไม่มีการเคลื่อนหรือผิดทาวารจิตนี่ไม่ทํางานผิดทาวารเพราะอารมณ์เนี่ยมันจะบังคับอยู่นั้นที่บอกว่าอารมณ์มากระทบทางไหนก็ตื่นและวิถีจิตเกิดขึ้นทางทาวาร น, นั้นแล้วก็ทํางานสืบต่อกันไปที่จะชี้ให้เห็นจุดต่างกันก่อนในส่วนนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดต่างพิเศษคือจุดต่างในทางเวทนา เราเคยพูดในเรื่องของจิตประมัติกันมาพอสมควรแต่ในวิถีจิตนั้นควรจะพูดอีกครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์นั้นได้อธิบายในส่วนของวิถีจิตถึงจุดต่างอันนี้ไปด้วยว่าในทั้งห้าทวาร น, นั้นเราจะพบว่าทวารตาหูจมูกลิ้นสี่ทวารต้นนะครับเมื่อมีอารมณ์มากระทบและจิตได้เลื่อนลำดับไปจนกระทั่งถึงขณะที่ เราเรียกว่าทวินั่นแหละคือถ้าจากครูวิญญาณเกิดโสตาคานะชิวหากายยังไม่พูดนะสี่ทวารต้นนี้เวทนาจะเป็นอุเบกขาเวทนาเป็นความรู้สึกเฉยเฉยเท่านั้นไม่ทําให้เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ความทุกข์ทางทวารทั้งสีเบื้องต้นนั้นจะเกิดขึ้นภายหลังภายหลังหมายถึงเมื่อจิตนั้นโลดแล่นเลยอารมณ์เหล่านี้ไปแล้วแล้วก็มีตัณหาอุปาทานมีค่านิยมอะไรต่ะไรเนี่ยมาปรุงแต่งเข้า เราก็ตีค่าทําให้เกิดความทุกข์นั้นเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยเฉยเฉยหมดทั้งรูปดีรูปไม่ดีหูฟังเสียงเฉยหมดทั้งเสียงดีเสียงไม่ดีจมูกดมกลิน่นเฉยหมดทั้งกลิน่นดีกลิ่นไม่ดีลิ้นลิมริเฉยหมดทั้งริดีริไม่ดีแต่ถ้าหากว่าลิน้นริลมลิ้นแล้วเรามีความรู้สึกเผ็ดและร้อนนั้นทางทวารไหนรู้ไหยทวารกายนะครับไม่ใช่ทางลิ้นนะทางทวารกายถ้ารู้สึกร้อนรู้สึกแข็งเนี่ยทวารกาย หรือว่าเรารับประทานอาหารบางอย่างรับประทานไปแล้วเกิดก้างติดคอหรือก้างติดลิ้นโดยมากมัติดลิ้นหรอกลิ้นมันตะวัดให้ไปติดที่อื่นหมดมึงเก่งติดเงือกอันนั้นเป็นตะวันกายแล้วหรือเสียงที่มีความเข้มมากๆแสงที่มีความเข้มมากๆมากระทบตาและทําให้ตาเกิดอาการผิดปกติเกิดเวทนาทางตาขึ้นอันนั้นเขาไม่เรียกเวทนาในฐานะทางตาแต่เป็นทางกายครับ ากายเพราะว่าในทางหลักอภิธรรมเนี่ยอธิบายว่าในในแสงที่กระทบตาเราเนี่ยมันมีผลิตภัอยู่ด้วยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะรวมแสงนั้นให้มันมีกําลังมีความเข้มสูงนะ <c oughs> มีคว า, ามเข้มสูงมีทัดน้ำเกาะกลุมกันเหนียวแน่นจะทําให้เกิดแรงกระทบกระทบประสาทในตาเราเนี่ยมีประสาทกายนะฮะถ้าลําพังแสงธรรมดาเนี่ยไม่ทําให้รู้สึกทางกายได้แต่ถ้าหากว่ามันแน่นมากๆ ประสาทกายที่อยู่ในตาเราจะรับสัมผัสเพราะฉะนั้นเราถึงเกิดไอ้มนภาวะทางทางหูเนี่ยเราพูดไม่ถูกสวรรค์ในทางหลักสภาวะของประมัดกัหรอกมนภาวะทางหูคือเสียงดังมากๆตามในเทคคหรือในอะไรผมก็ไม่เคยไปนะก็แต่ก็รู้สึกว่ามันมันดังจริงๆ จ, จ, จากที่เห็นในภาพพวกคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเนี่ยดังมากดังมากจนกระทั่งความเข้มของเสียงมันแรงประสาทกายในนั้นก็ เกิดความเสียหายหเกิดการกระทบกระเทือนนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าเจ็บหูหรือมีความพิก้วยการทางหูอย่างนี้นะครับเป็นทุกขเวทนาทางหูที่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นกายประสาทกายเนี่ยจะสัมผัสโพดสะพะถ้าสัมผัสโพดสะพะดีสุขเวทนาเกิดสัมผัสโพดสะพะไม่ดีทุกขเวทนาเกิดและกายนั้นจะอยู่ที่ร่างกายก็ดีหรือจะอยู่ปะปนอยู่ในประสาทอื่น ที่เหลืออีกสีเบื้องต้นกระทำถ้าหากว่ามีผลิภัพฑ์มากระทบให้มันสัมผัสได้มันก็จะรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เช่นเราเอาไม้ปั่นหูปั่นในโพรงหูเราทุกคนเคยปั่นหูบางคนก็ติดนะครับต้องปั่นทุกวันวันละหลายหครั้งถามว่าเวลาคนเอาไม้ปั่นหูนั้นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขแค่มฮะเดี๋ยวนี้ไม้ปั่นหูอันละตั้งห้าบาทสิบบาท ทำอย่างแข็งแรงให้ใช้ให้คนติดติดปันหูใช้ได้ทนทนหน่อยเนี่ยเรารู้สึกเป็นสุขเป็นสุขนะไม่ใช่สุขที่ประสาทหูแต่สุขที่ประสาทกายที่อยู่ในโพรงหูมันยังไม่ถึงไอตัวประสาทเลยนะมันแค่ประสาทกายที่อยู่รอบอันนี้ก็เป็นกายประสาทน ะ, ะที่ทำให้เกิดเป็นเป็นสุขขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเราจึงเห็นชัดแล้วก็ได้เห็นว่าพระพุทธพระพุทธเจ้าเนี่ย หรือพระพุทธศาสนาเราวิเคราะห์ละเอียดไอ้ที่เราพูดพูดกัาทีมพูดคลุมเคลือพูดไม่ถึงจุดสภาวะธรรมจริงๆเอ็นี้ปัญหาว่าทําไมล่ะอารมณ์ที่มากระทบตาหูจมูกลิล้นสี่ทางนั้นในฐานะที่เป็นอารมณ์จริงๆของมันไม่ใช่เป็นโพฏฐา ร, รมที่แฝงเข้ามาอย่างที่ผมพูดจึงทําให้เกิดความรู้สึกเฉยจะรู้สึกยินดียินร้ายนั้นเป็นเรื่องปรุงแต่งภายหลังและอารมณ์ที่มากระทบกายนั้น มันเป็นทุกข์ตั้งแต่แรกกระทบไม่ต้องปรุงแต่งกระทุกเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่รู้เจ้าตรงตลาดบ่อยๆว่าพระอาหารหันต์เมื่อกระทบอ น, นิสฐารลมทางกายแล้วเป็นทุกข์เหมือนปุถุชนนะแต่พระอาหารหันต์เห็นอ น, นิสฐารมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแล้วเฉยไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เฉยแต่ปุถุชนนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าสุขก็สุขเหมือนกันกันหมดทุกข์ทวารทุกข์ก็ทุกข์เหมือนกันหมดทุกข์ทวาร เพราะเราไม่ได้แยกว่าขณะไหนเป็นขณนะไหนเราไปรู้สึกชัดๆเมื่อเราได้ปรุงแต่งอารมณ์เหล่านั้นถึงที่แล้วอธิบายอย่างนี้ครับว่าทางกายที่เป็นทุกข์ตั้งแต่แกรกๆงการกระทบนั้นหรือเป็นสุขตั้งแต่แกรกๆการกระทบนั้นเพราะว่าอารมณ์ที่มากระทบกายประสาทเนี่ยเป็นของหยาบเนเป็นของหยาบเอาเราลองนึกดูสิครับว่าแสงมากระทบตานี่หยาบหละเอียดเสียงนี่ละเอียดไหมละเอียด กลิ่นละเอียดไหมละเอียดรถละเอียดไหมละเอียดไหมละเอียดมาจะละเอียดน้อยกว่าตัวอย่างอื่นบ้างแต่ละเอียดครับตัวรถเวลาเราเปิบอาหารเข้าปากเรารู้สึกสัมผัสในประสาทกายในลิ้นต่างหากล่ะแต่รถที่เราเคี้ยวคั้นออกมาเนี่ยมีภาวะละเอียดเพราะว่าอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ละเอียดเมื่อมากระทบประสาทซึ่งมีสภาวะละเอียดเหมือนกัน ประสาตาแล้วนี่เป็นละเอียดนะเรายังไม่ดียังไมเฉดหว่าละเอียดเป็นของที่ละเอียดมองไม่เห็นในทางสภาวะแต่มีลักษณะสัมผัสได้ท่านจึงบอกว่าเหมือนกับสํารีกระทบสํารีสํารีกระทบสัารีเนี่ยเราสํารีกับสํารีมากระทบกันมันไม่ทําให้เกิดความแตกไม่เกิดเสียงไม่เกิดความเสียหายหรือการกระทบกระเทือนเหมือนอย่างเราเอา ของแข็งกับของแข็งมากระทบกันเช่นเอาหินกับหินมากระทบกันหรือเอาเหล็กกับเหล็กมากระทบกันย่อมทําให้เกิดเสียงหรือเกิดความยับยู่ยยี่เสียหายได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นประสาทกายของเรานั่นน่ะตัวประสาทเป็นของละเอียดตัวประสาทนะแต่ร่างกายเป็นของหยาบแต่ประสาทในกายเป็นของละเอียดอารมณ์ที่มากระทบกายนั้นเป็นของหยาบจึงอุปมาว่าเหมือน ทั้งทั่งไอที่เขาใช้สําหรับตีเอาเป็นว่าเป็นพวกคอ้อนนี่แหละนะค้อนเหล็กเนี่ยค้อนเหล็กกับค้อนไม้ ก, ก็แข็งเหมือนกันไปเราเอาค้อนเหล็กไปทุบสําลีสําลีนั้นยับยุยยไหมยับอยู่ยยหรือไม่ยับเอาค้อนเหล็กไปทุบไม่ยับเหรอยับไมหมเลือเราอาจจะอัดสําลีทุบสําลีให้เป็นก้อนกลมๆอัดแน่นก็ได้ด้วยอํานาจความแข็งของเหล็กนั้นใช่ไหม เน่ยงสมมุติว่าเอาสัมฤไปวางบนทั้งร่างกายเราที่หยาบหยาบนี่เหมือนกับ ท, ทั่งทั่งที่เขาใช้สําหรับลองตีแต่บุกหัวสปูรหรือตีอะไรให้มันแบนๆนะนะเอาเอาสัมฤทไปวางสัมฤทก้อนไปวางแล้วก็เอาคอ้อนเหล็กทุบท่านบอกว่าด้วยอํานาจของคอนเหล็กนั้นย่อมอาจทุบสัมฤทนั้นให้แบนติดทั้งแล้วก็เกิดเสียงคก็เรียกว่าอา่าเหล็กคอนเหล็กนั้น เหมือนกับโพธาลลมเนี่ยอาจจะทําให้ทั้งไปกระทบถึงตัวทั้งที่รองอยู่กล่างเกิดเสียงดังๆขึ้นมาก็ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นตัวเราเนี่ยเวลาที่เราไปถูกลถชนหรือไปถูกมีดบาดโพธาลลมคือรถหรือมีดนั้นเมื่อมาบาด ท, ที่เข้าที่ร่างกายของเราร่างกายของเราที่เห็นหยาบหยาบเหมือนกับทั้งตัวประสาทที่อาศัยอยู่กร่างกายเหมือนกับสัมรีอันเนี้เหมือนกับเอา คอนเหล็กมาทุบสัมรีคือประสาทที่อยู่ในท่างหรือร่างกายเรามันก็เกิดความเสียหายไปถึงร่างกายด้วยใช่ไหมฮะร่างกายเราเลยเกิดการพิกลพิการเกิดบาดแผลขึ้นทุกขเวทนาจึงเกิดตั้งแต่แกลกๆ ก, ก, การกระทบด้วยเหตุผลนี้นั่นจึงไม่แปลกเลยครับว่าตาเห็นรูปไม่ดีเนี่ยเราถ้าเราอดได้นะครับเฉยสนิทหูฟังเสียงไม่ดีเฉยได้กาหนดได้เฉยสนิท แต่ว่าทางกายถ้าลองไปกระทบอารมณ์ไม่ดีแล้วเฉยไม่สนิทเฉยยังไงก็ไม่สนิทถ้ากายยับประสาทเกิดแล้วนะมันจะต้องเจ็บแต่เราอาจที่จะกำหนดไม่ให้ความทุกนั้นครอบงำจิตใจเหมือนอย่างที่ท่านสอนกันเวลาคนป่วยไปเทศโพดชงให้ฟังบ้างหรือแสดงความเป็นอนัตตาให้ได้ยินบ้างเมื่อได้ยินแล้วก็กาหนดว่าเจ็บจักแต่ว่าเจ็บเราไม่ได้เป็นผู้เจ็บความคล่ําครวญปริเวทนาการก็ไม่เกิดขึ้น คือเรียกว่าความปรุงแต่งไม่เกิดขึ้นท่นถึงบอกว่าความทุกข์ของปุตรชนเนี่ยเมื่อกายสัมผัสกับอนิจจหลมแล้วเกิดความทุกข์สองชั้นนะถ้าเป็นพระอรหารนะทุกชั้นเดียวทุกชั้นเดียวเพราะว่าท่านไม่ปรุงแต่งท่านทุกสักแต่ว่าทุกและใครที่กําหนดได้เนี่ยทุกนั้นก็ย่ายีจิตใจไม่ได้อ่านี่ก็เป็นการอธิบายกันในส่วนขยายไปถึงวิถีจิตอื่นที่เหลือนอกนั้นเหมือนกันหมดผมไม่อธิบาย แต่เราจะอธิบายในส่วนหลงเหลือของวิถีจิตที่เรียกว่าปัญจทวารวิถีที่ว่าเหมือนกันเนี่ยไปด้วยกันที่ทั้งหมดเลยตามเอกสารที่ได้ทําเป็นตารางเป็นช่องที่เขียนขึ้นหัวข้อว่าอุปมาแห่งปัญจทวารและวิถีนี่แปลว่าอุปประมาณี้ใช้ครอบคลุมวิถีจิตฝ่ายปัญจทวารวิถีครบทั้งห้าทางตาหูจหมูกลิ้นใจอกใจไม่เกี่ยวเหมือนกันหมดนะห้าอย่าง เอออันนี้อ่ะท่านเก็บไว้ให้ดีจ้ะครับเพราะว่ารวบรวมมาจากพระคมภีร์แล้วก็เอามาใส่ไว้เป็นช่องทบทวนได้ง่ายเวลาเราจะไปไปอธิบายให้พักพวกคกนปุ๋งเขสนใจฟังแล้วก็หยิบมาแป๊บเดียวเอาข้อไหนจองไหนได้หมดเลยได้เก็บมาจากพระคัมภีร์หลายตำแหน่งด้วยกันนะครับมาไว้ในที่เดียวกันเราก็จะเห็นว่าในวิถีจิตทั้งสิบเจ็ดขณะเนี่ยทั้งสิบเจ็ดขณะซึ่งก็หมายความว่า ตั้งแต่นับตั้งแต่อติตาพวังไล่ลงไปจนกระทั่งถึงตาทาลพนาสองเนี่ยนับเป็นขนาดแล้วได้สิบเจ็ดโดยท่านอุปมาเปรียบเทียบไว้ด้วยแง่มุมต่างๆให้เราเข้าใจชัดเจนขึ้นในมุมนั้นมุมนี้อุปมารแรกนะผมได้พูดไปเมื่อตอนท้ายรายการก็จะไม่พูดซ้ำในทีน่นี้แต่จะเรียนว่าในอุปมาที่หนึ่งนั้นท่านอุปมาเปรียบเทียบ เหมือนกับคนนอนใต้ต้นมะม่วงอะ่ะเพื่อแสดงกิตกิตนี่แปลว่าอะไรแปลว่าหน้าที่หน้าที่ของจิตแต่ละขณะแต่ละขณะในวิถีจิตว่าขณะไหนทำหน้าที่อะไรที่ไม่เหมือนกันเมื่อแสดงโดยหน้าที่นั้นก็จะเห็นว่าจิตหลายๆขณะในวิถีจิตอาจจะทำกิตเดียวกัน เช่นถ้าใครดูล่วงหน้าอาจจะนึกได้ว่าเช่นอะไรครับหลายขณะแต่ทําหน้าที่เดียวกันชาวนะจิตใช่ไหมฮะชาวนะเนี่ยมีเจ็ดขณะแต่ทํากิจเดียวกันและที่เหลือเอที่น้อยไปกว่านั้นก็คือสองขณะทํากิจเดียวกันได้แก่ตาท า, ลานลพนาที่เหลือ น, นอกนั้นแต่ละขณะแต่ละขณะทํากิจขณะต่อกิจขณะต่อกิจยกตัวอย่างเช่นปัญจะตะวาราวจะนะ ขณะหนึ่งทำกิจตื่นอวัจนาการสัมปติช น, นะสันติรณะโธภธวันะขณะหนึ่งหนึ่งทำกิจขณะหนึ่งหนึ่งที่แตกต่างกันออกไปนี่เรียกว่าเป็นกิจหนึ่งหนึ่งขณะหนึ่งหนึ่งโดยท่านเปรียบเทียบเอาไว้ผมจะไม่อธิบายซ้ําในส่วนนี้และในอุปมาที่สองเป็นที่บอกว่าสแสดงกิจเท่านั้นอุปมาเหมือนกับนายตะวันเป็นต้น คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับพระราชาระจาชาประเทศไหนก็ไม่รู้ล่ะบรรทมตะพืชเหมือนกันที่บอกว่าแสดงกิจเท่านั้นนะหมายก็ว่าเป็นกิจที่ไ ม, ไมนะะ่ไม่ก้าวไกลนะฮะไม่ก้าวไกลคือว่าจิตแต่ละดวงแต่ดวงนั้นทำกิจเฉพาะเฉพาะของตัวจะไปขอลองหรือจะไปทำกิจแทนขณะอื่นไม่ได้ ถ้าถามมาทําไมไม่ได้ไม่ไม่ได้ใจแคบเหลือเกินหวานหน่อยก็ไม่ได้ก็อะไรก็ไม่ได้ไม่ยักเหมือนกับมนุษย์เราทําไมถึงไม่ได้เพราะว่าอ่านั่นก็ได้คราเราพูดแบบกว้างๆก็เพราะว่าเหตุปัจจัยของจิตแต่ละดวงแต่ละดวงนั้นมีอยู่เราจะพูดกันเดี๋ยวเดี๋ยวพูดต่อไปนะในเร็วๆเวนี้ย <c oughs> เราดูสิครับว่าอุปมาที่สองท่านเปรียบเทียบไว้ยังไงท่านบอกว่า กำหนดตั้งแต่มูลภวังคือความหลับธรรมดาความหลับธรรมดาหลับก่อนขึ้นวิถีก่อนอารมณ์ก็ทุบประปศาศาสาทเรียกว่ามูลละพวังแปลว่าพวังต้นวิถีแล้วก็มีพวังหลังวิถีเขาเรียกว่าปิดทิภวังพวังหลังวิถีอันนี้ก็อยู่ในหลักที่ได้เคยเรียนย้ำอยู่เสมอว่าตลอดเวลาตลอดวันตลอดคืนเนี่ยเรามีหลับกระตุนสลับกันนะนั่นเมื่อเราตอนนี้เรากําลังจะพูดถึงภาวะจิตขณะ ตอนตื่นตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงสุดท้ายอันั้นก่อนตื่นก็ต้องมีรวังแล้วก็หลังจากที่เราตื่นเสร็จรอ บ, ร, บรอบแล้วระวังก็เกิดต่อเขาเรียกว่ะพรารวังก่อนกับเพวังหลังมูลน่ะแปลว่าตนแล้วก็ปิดทินะแปลว่าหลังนะแปลว่าหลังอย่างเช่นปิดทิมังสังคือเนื้อหลังอย่างนี้เป็นต้นภาษาบาลีใช้คานี้อ่า มูลภวังท่านจึงเปรียบเทียบเหมือนกับพระราชาบรรทมอยู่ในพระราชาฐานก็บรรฑมเพราะว่าไม่ได้มีภาระไม่มีราชภารกิจอะไรในขณะนั้นอันนี้อตีตาพวังที่เรายังไม่ได้อธิบายแค่นี่้เอาเขาพอรู้ดูอุปมาเป็นคร่าวๆไปก่อนว่าอุปมาเหมือนกับขณะเมื่อมีชายชาวชนบทคนหนึ่งนําเครื่องราชบรรณาการเดินทางมาแต่ยังไม่ถึงนะ ยังไม่ถึงเพราะว่าอดีติาภวังเนี่ยเป็นจิตที่เรียกอย่างนั้นเพราะมีอารมณ์เกิดขึ้นมุ่งหน้ามาเข้ามาเข้าตาเป็นต้นแล้วแต่ยังไม่ถึงเอาไว้คราวหน้าพูดแน่ตอนนี้ยั ง, ย, งยังไม่ชัดอดีติาภวังนี่แปลตามจับก็แปลให้สงสัยและอยากรู้ว่าไม่ใช่พูดเพื่อให้หนีนะพูดเพื่อให่อยากรู้อัอดีตาภวังแปลว่าภวังผ่านอธิบายอย่างสั้นที่สุดว่า ที่ว่าผ่านเพราะว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วและกำลังเดินทางมาเข้าตาเป็นต้นแต่ยังไม่ถึงผวังตัวนี้จึงเรียกว่าผวังผ่านอติตาผวังเท่านี้เมื่อชายชนบทคนนั้นนำเครื่องราชบรรณาการมามาเนี่ราก็รู้วามาไหนมาที่พระรา ช, ชาฐานในพระราชานิเวศมาถึงก็เคาะประตูพระรา ช, ชาฐานอันนี้เหมือนกับอะไรครับ เหมือนกับอารมณ์ที่มากระทบประสาททํำผวังให้ไหวเหมือนมีอารมณ์กระทบประสาทอันนี้เปรียบเทียบเหมือนกันแตนบอกว่าเนี่ยกระทบเท่านั้นอารมณ์กระทบประสาทเท่านั้นต้องการจะแสดงว่าผวังขจารณะเนี่ยเป็นขณะจิตที่ไหวเพราะมีอารมณ์มากระทบประสาทเท่านั้นยังไม่ตื่นต่อมาเมื่อ เคาะครั้งที่หนึ่งไม่ตื่อมาเคาะครั้งที่หนึ่งก็เคาะครั้งที่สองพอเคาะเคาะครั้งที่สองนั้นทําให้เกิดผลครับผลอย่างไรเราก็รู้ในช่องห ล, ลำลําดับลงไปข้างล่างอันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับพวังกุปัดเจตะที่เป็นที่สุดแห่งการหลับคือเป็นความไหวครั้งสุดท้ายหลังจากนี้แล้วว่ารู้เรื่องกันแล้วไม่ไม่หลับตอบ่อตูดังขึ้นเป็นครั้งที่สองขาด อํมมหามหาเล็กผู้ถวายการนวดได้ยินก็ให้สัญญาณนีเพราะว่าในพระราชฐานเนี่ยเขาจะวางคนไว้ในตำแหน่งต่างๆกันไม่ใช่คนเดียวทำทุกอย่างนะครับแต่ละคนนี่จะมีงานเฉพาะเฉพาะของตัว อ, อย่างมหาเล็กคนนี้มีหน้าที่ถวายการนวด นวดใครอะนวดพระราชาก็ธรรมดาของว่ใช่ปบบืนดินทรงติดนวดแสดงว่าสมัยก่อนก็ชั้นใดสมัยนี้สมัยรุ่นรุ่นอย่างมหาคาตาเตียที่เรารู้อย่างราชการที่หกเนี่ยท่านก็นิยมนวดมีหมอนนวดประจําพระองค์นะครับนวดจนกระทั่ ง, งทรงบรรทมหลับไปถึงเลิกต้องดูให้ดีหลับส น, นิทอย่างเดียวเกิดยังไม่หลับไม่เได้กว่าหลับแล้วเลิกนวดก็เดี๋ยวเกิดเรื่องการนวดเนี่ยก็สบายผ่อนคลายทําให้หลับง่าย เป็นวิธีการทำสมาธิอย่างหนึ่งแต่ต้องนวดแบบนี้ไม่ไปนวดแบบอื่นนะ เ, เมื่อมหาดเล็กได้ยินก็ให้สัญญาณแก่นายทวาร น, นี่ก็ประหลาดหน่อยครับหาคนห า, หานายหานายทวารบาลดีๆไม่ได้ปรากฏว่านายทวานนี่หูหนวกที่ใทยคงจะอุปมาขึ้นมาเพื่อให้สอดกล้องนะ หรือไม่อีกที น, นานทวารบานคนนี้คงจะรับใช้ใกล้เบื้องยุคคนบาทมานานแล้วเกิดถูกหนว่าท่านก็ยังชุบเลี้ยงอยู่ก็เป็นได้ให้สัญญาณให้สัญญาคือบุ้ยใบ้บอกให้รู้ว่ามีคนมาเคาะประตูพระทวารนทวาน น, วา น, นั่นนะแม้ว่าจะอยู่ใกล้ประตูแต่ก็ไม่ได้ยินเพราะนายทวานได้ยินก็รู้ว่ามีคนมาทางประตูในทวานนั้นได้บอกทหารยามเอาเมื่อเปิด เมื่อเมื่อได้ให้ให้ให้สัญญาณแล้วก็นายทวารหูหนวกไปเปิดก่อนนะเปิดประตูรับเมื่อเปิดประตูชายที่เป็นชาวบ้านนอกนั้นก็ได้เข้ามานำเอาบรรณาการถือมาด้วยและในในพระราชฐานนั้นก็ต้องมีการที่เป็นที่รู้กันก็จะมีทหารยามคนที่หนึ่งที่ยืนอยู่ในที่ใกล้นั้นทาหน้าที่รับ เครื่องราชบรรณาการที่บุคคลนํามาถวายพระราชาก็ไปรับเครื่องราชบรรณาการมานายทหารยามนั้นมีหลายคนรับแล้วก็มีการส่งต่อไปก็ส่งต่อมาให้กับคนที่สองอันนี้ก็เปรียบเทียบว่านายทหารยามคนที่หนึ่งที่รับบรรณาการมาก่อนนั้นเปรียบเหมือนกับสัมปติช น, นะนายทหารยามคนที่สองนั้นรับบรรณาการต่อมาเปรียบเหมือนกับทหารยามคนที่สอง และแต่ละคนแต่ละคนที่รับเครื่องราชบรรณาการมานั้นก็รับส่งต่อมาเป็นสามบุคคลด้วยกันมีคนที่สามได้นําราชบรรณาการนั้นไปถวายพระเจ้าแผ่นดินชะลอยว่าเครื่องราชบรรณาการนี่นจะเป็นของของใช้เลยของอุปโภคของบริโภคของบริโภคเป็นอะไรเราก็ไม่รู้นะเป็นของบริโภค เมื่อถวายพระชมบิดแล้วก็ทรงสเสวยทันทีนะลุกขึ้นมาจากการบรนทมแล้วก็สเสวยของบรรณาการนั้นอันนี้เปรียบมันก็ชาวนะเมื่อสเสวยเสร็จแล้วก็เตรียมพระองค์เพื่อบรนทมต่อไปแล้วก็บรนทมต่อตอนที่เตรียมพระองค์เพื่อบรนทมต่อไปนั่นก็คือเหมือนกับตาทานนะพนะบรนทมต่อไปนั้นก็เหมือนกับภผวัง คือพอวังหลังวิถีเสิบต่อไปอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งข้อเปรียบเทียบที่สามข้อเปรียบเทียบที่สามนั้นน่ะเป็นการแสดงเน้นทวารและเน้นจิตรู้ก่อนนะตกระถาท่านบอกว่าแสดงจิตที่รู้ก่อนว่าในวิถีจิตนั้นมีจิตอะไรรู้อารมณ์ก่อนความจริงเราก็ทราบแล้วว่ามีจิตอะไรรู้ก่อนในนี้ก็อุปมามาสนับสนุนแล้วก็บอกถึงทางที่รู้ของอารมณ์เหล่านั้นด้วย โดยเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีมาแรงมุมตัวหนึ่งนอนรอเหยื่ออยู่ที่ใจกลางสายใหญ่ที่มีมีไข่มีสายห้าเส้นหรื อ, อมีมีสายขึงห้าสายจริงๆแล้วมากกว่านั้นแต่นี่ท่านต้องการจะเปรียบเทียบ ท, ที่เราเคยไปดูนะหนัสือจะมากกว่าห้าแต่นี่ท่านจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าห้าห้านี้คืออะไรครับห้านี้คือเท้า วานหหรือประสาท5เหมือนกับใยมาแรงมุมที่เราเนี่ยได้ขึงไว้เพื่อรับกระทบอารมณ์จิตนั้นเหมือนกับตัวมแมลงมุมที่มีปกตินอนกบดานอยู่ที่กลางใยมาแรงมุมนั้นเมื่อมีมาแรงมุมเมื่อมีมาแรงใดๆนะครับบินมากระทบสายใหญ่ข้างใดข้างหนึ่งก็จะเกิดแรงกระเทือน ไอตอนมแมลแงมุมมายังไม่กระทบเนมือตีตาภาวังก่อนนะฮะและเมื่อกระทบสายใหยข้างใดข้างหนึ่งพับเกิดอะไรขึ้นครับกระเทือนอันนี้ท่านบอกว่ามาแรงมุมที่มันนอนอยู่ตรงกลางเนี่ยเวลามีมีมแมลงมากระทบที่สายใยข้างใดข้นึ่งกระทบพับจะมันรู้เลยเป็นสัญชาตญาณของมันนะมันรู้ทันทีว่ามีเหยื่อมากระทบแล้วแล้วรู้ด้วยว่ากระทบทางไหน เมื่อรู้กระทบทางไหนมันก็จะคลานไปทางนั้นคลานไปถูกแม่หลับหัวหลับตาคลานไปคาไปถูกมันรู้มันเก่งอันจึงเปรียบเทียบเป็นในช่วงๆเอาไว้อย่างนี้ว่ า, มาแมลงมุมเมื่อมากระทบสายใหญ่นะเหมือนกับตอนกระทบนะทําให้เกิดความสั่นสะเทือนเหมือนกับพวังเจ้านะแล้วก็ไหวอยู่สองขณะปัญจาทวาราราชนะนั้นเหมือนกับมาแรงมุมได้ ตื่นขึ้นแล้วกําหนดรู้ทิศทางของเหยื่อที่มากระทบตามสายใหญ่สายนั้นถ้าผมถามว่าจิตขนาดไหนเป็นจิตที่รู้ก่อนจะตอบได้มารู้ก่อนนะตื่นแรกตื่นไงละ่ะปัญจทวาราชนะเป็นจิตรู้ก่อนพวังขจารนาพวังกุปตะเจท้าแม้ว่าจะไหวแต่ยังไม่ตื่นครับตอนนั้นยังไม่ตื่น ได้แต่ไหวเพราะอำนาจแรงกระเทือนของอารมณ์มาสื่นเมื่อเป็นปัญจทวาราวชนะอันนี้ก็เปรียบเทียบว่ า, มาแมลง ม, ม, มแมลงมุมนั้นได้ไปที่ทิศทางของสายใหญ่ที่กระทบนั้นทวิปัญจวิญญาณนะครับอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับตามในนี้นะครับท่านบอกเปรียบเทียบเหมือนกับมแมลงวมที่ไตในนี้พิมพ์ว่าคลานนันไม่ถูกเขาเรียกไตใช่ไห ถ้าไปตามใยในเรียกไตไต่ออกมาตามสายใยนั้นก็ไปเห็นอารมณ์ล่ะคือเห็นแมลงที่ติดอยู่แล้วก็ไปจับแมลงจับแมลงอันนี้ก็เหมือนกับสัมปิจันะเมื่อจับแมลงนั้นไว้มั่นแล้วมันก็จะเลือกหาจุดที่มันจะเจาะไม่ใช่จับมับจอจอบปุ๊บหรือเจาะผิดเจาะไม่เข้า หรือเจาะในตำแหน่งที่ไม่ควรเจาะยังไปเจาะที่ปีกเนี่ยสูบอะไรไม่ได้กินเลยมันไม่มีโอไม่มีอาหารอยู่ในปีกก็ เ, เลือกตำแหน่งที่จะเจาะเราพอจะเดาได้ไหมครับว่ามันเจาะตรงไหนเคยสังเกตแมะ ม, มแมลงมุม ม, มันเจาะตรงไหนแสดงว่าที่ที่บ้านไม่มีแมลงมุมเลยนะหรือมีไม่ได้สังเกตเห็นทัานว่ามันเจาะเจาะกินที่หัวนะ เจาะกินท <ítulo> ี <irgendw carbono> ่ห <sk> ัวกินสมองหรืออะไรเนี่ยนะครับวามจริงผมก็ไม่เคยได้ดูเหมือนกันเมื่อมันเจาะกินกำหนดตำแหน่งแล้วก็เจาะกินจนหมดสูบกินจนหมดแหละมันกินมาเจอในทางว่ามันรูมันจะเจาะตรงไหนแล้วก็เจาะไปตรงที่เดียวแล้วดูดกินได้ทั้งเมื่อดูดไอตอนดูดกินเหมือนกับชว์นะเมื่อดูดกินหมดแล้วก็คลานกลับมาที่ดังนี้เหมือนกับตาตาละมนะ แล้วก็มันมากบดานอยู่ที่กลางใหญ่ต่อไปนี่ก็เหมือนกับปวังคือเป็นประวังเกิดต่อหลังจากที่วิถีจิตเกิดนี่เป็นอุปมาที่สามเราจะเห็นว่าจุดเด่นของอุปมาณี้นะเป็นเรื่องของสายใหญ่ถาวรทั้งห้าจิตเหมือนก็มาแรงมุมอารมณ์ที่มากระทบนั้นมันก็มาแรงที่มากระทบสายใหญ่ห้าทางคือประสาททั้งห้างของเรานั่นเอง อีกอุปมาหนึ่งเป็นอุปมาที่สี่นี่พูดใซะจนท่านมันฝือไปแล้วนะเนี่ยฝือเกินเข้าใจแล้วมันเลยกลายเป็นการเรียนรู้เรื่องอุปมาอันตนไปก็คงจะไม่เสียหลายนักหรอกบอกเข้าใจแล้วเอาแค่สองสาอย่างก็เข้าใจแล้วพูดไปก็เป็นของแถมไปแต่ท่านเขาบอกว่าเป็นการแสดงจิตที่เห็นเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นอุปมาเหมือนกับพวกเด็กเล่นดินว่าขณะ คือว่ามีเด็กมาพวกหนึ่งอ่ะมานั่งเล่นดินกันอยู่แล้วก็ไปได้เหรียญกหาปะนญะได้มาทีแรกมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแร้วก็จับไปจับมาเจนกระทั่งบบี้ดินออกผ่านมือเด็กหลายคนไปโดยลําดับจนทั่งกําหนดรู้ว่าเป็นกหาปะนะัญะคือเงินตราของอินเดียสมัยนั้นเด็กแลมก็รู้ว่าเป็นกรหาปะนะัะจึงได้นำเอาไปให้มารดาใช้จ่ายแล้วมันก็กลับมาเล่นต่อไปนี่เรื่องราวทั้งหมดก็ว่าอย่างนี้ โดยท่านทอนเป็นเรื่องเรื่องว่ามูลรวังเหมือนกับขณะที่พวกเด็กกําลังเ ล, เล่นเล่นดินกันอยู่ในระหว่างทางอตีสาปวังนั้นมีกหาปะนะที่ติดดินนะครับติดดินและติดฝุ่นอันหนึ่งมาปรากฏมาปรากฏอยู่ในที่ใกล้นั้นแต่ยังไม่กระทบมือเด็ก mm hmm. เด็กก็เล่นกันไปเล่นกันมากหาปะนะนั้นได้มากระทบมือเด็กคนที่หนึ่งนี่เหมือนกับปวังเจรณะเมื่อกระทบแล้ว เด็กคนนั้นเขาก็รู้ว่ามีอะไรกระทบมือที่มันไม่ใช่แรงกระทบของดินที่ตัวเองเล่นหรือได้สัมผัสอยู่โดยปกติส่วนใหญ่เด็กคนนั้นก็ได้นําเอาอเดี๋ยวเด็กคนที่สองเมื่อมองไปที่กหาปณะในมือของเด็กคนนั้นก็บอกว่านั่นอะไรคือรู้ว่าเอ็นี่มันไม่ใช่ไม่ใช่กอนดินธรรมดาแล้วเด็กคนที่สามมันก็ เห็นเป็นสีขาววาวออกมาก็บอกว่านั่นสีขาวพอกหาบนะนั้นทํำด้วยเงินเขาบอกว่าสีขาวตรงนี้ท่านต้องการจะเปรียบว่าไอเด็กคนที่สองนะบอกว่านั่นอะไรนะเหมือนกับเป็นความรู้สึกว่าเป็นความผิดแปลกผิดแปลกไปจากบอกว่ามันไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันต้องเป็นอะไรสักอย่างแหละพอเด็กคนที่สามก็เพ่งดูจึงเห็นว่านั่นเป็นสีขาวนี่เหมือนกับ ปัญจวิญญาณมีจากกูวิญญาณตัต้ตวิญญาณเริ่มกำหนดรู้อารมณ์นั้นได้อย่างเต็มหูเต็มตาเด็กคนที่สี่ก็ฉวยเอาคาพาปะนะนั่นมากรรมคือกรรมเอามาทั้งฝุน่นคือคล้ายๆว่าดินเมีย่ยงติดอยู่ก็กรรมมาทั้งฝุน่นทั้งคาถาปะนะยังออกไม่หมดอันนี้เหมือนกับสัมปติช น, นะยังไม่ได้ทำอารมณ์นั้นให้หมดเปลือก ปไป็เพียงกรรมมาทั้งที่ยังกรรมกมอยู่เด็กคนที่ห้าก็บอกว่านั่นเป็นสี่เหลี่ยมนี่แปลว่าเห็นชัดมากขึ้นกําหนดรู้ได้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมคือหลังจากที่ส่งกันมามันก็บีบบีดินออกกระทั่งเหลี่ยมปรากฏพอมาถึงเด็กคนที่หกก็ชาระดินนั่นออกไปจนกระทั่งกําหนดรู้ว่านั่นเป็นกหาปณะคือเป็นเงินเงินตรา ก็นําเอาไปให้มารดาใช้จ่ายก็ส่งอันนี้เรียกว่าเป็นการส่งต่อกันไปเรื่อยๆจิตแต่ละดวงแต่ดวงทํากิจแล้วก็ลากหนางตัวเองไปส่งต่อส่งต่อกันไปเจนกระทั่งถึงตัดทานธรรมนะเด็กนะั่นเมื่อส่งเงินไปให้มารดาแล้วตัวก็รีบกลับมาเล่นกันต่อไปอ่านี่เป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งอุปมาที่หนี่เหมือนกับเหมือนกับโรงหีบอ้อยในโรงหีบอ้อยนะ่ะมีจุดที่ท่านต้องการจะเน้นคือจุด ตรงข้อดีห้คือปัญจทาาวาราวิชนะทันทีท่านบอกว่าปัญจวิญญาณเหมือนกับเจ้าของโรงหีบอ้อยห้าแห่งอันนี้แปลว่าในปัญจทาาวารวิถีนั้นปัญจวิญญาณแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่นะครับจักขุวิญญาณเป็นเจ้าของปัญจทาาวารวิถีเพราะถ้าไม่มีจักขูวิญญาณแล้วก็ไม่เรียกว่าจากักขุทวารวิถีไม่มีโสตะวิญญาณแล้วก็ไม่เรียกว่าโสตะทวารวิถี ความเป็นโสาทวารวิถีและอารมณ์ที่มากระทบทางนั้นโสตทวารก็ดีผู้ที่เหมือนเป็นเจ้าของแหล่งเจ้าของทวาร น, นี้ก็คือวิญญาณห้าดวงแต่ละดวงก็แต่ละถางนั่นเองท่านจึงเปรียบเทียบเหมือนเจ้าของโรงหีบอ้อยห้าแห่งที่อยู่ <c oughs> อยู่ประจําโรงหีบอ้อยของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไม่ย้ายไปไหนเพราะเป็นเจ้าของส่วนกิจเหล่าอื่นเนี่ยมีการย้ายแปลว่า เมื่ออารมณ์นี้มาสัมติชนะมันก็รับรับได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสันติอำนามนก็พิจารณาทั้งรูปรสกลิ่นเสียงแต่จักขุทวาร น, นั้นเห็นแต่รูปอย่างเดียวไม่ไปเห็นเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะคือเรียกว่าไม่ย้ายเพราะเป็นเจ้าของที่เหลือนอกนั้นย้ายกันหมดไปทํากิจทางทวารไหนมันก็ย้ายไปทําตามไปเป็นลูกมือของวิญญาณที่เป็นเจ้าของโรงหีบอ้อยนั้นๆในห้าแห่ง อุปมาในส่วนอื่นๆเนี่ยท่านไม่เน้นให้ท่านไม่ต้องการจะเน้นนะครับแล้วก็มาเน้นน้าอ้อยเหมือนกับชาวนะที่เป็นตัวเสพรสชาติของอารมณ์หรือเป็นตัวรสชาติของอารมณ์ปรากฏทางนี้และสถาร์อำนาเหมือนกับตัวแบ่งส่วนอันนี้ก็เตรียมการเพื่อทจะย้ายลงไปถูกลงอื่นต่อไปอันนี่ก็เป็นอุปมานะครับจุดเน้นคือเน้นเจ้าของโรงครับเจ้าของโรงคือปัญจวิญญาณเป็นเจ้าของทวาร คนละแห่งคนละแห่งทีนี้อุปมาที่หกเนี่ยอันนี้เป็นช่องที่รวบรวมที่ท่านเปรียบเทียบเกษณ์กระสายที่มีอะไรดีๆอยู่เหมือนกันอย่างเช่นท่านอุปม า, เห ม, า, า, าเหมือนเผาวังขจารณะเหมือนกระวางก้อนกรวดไว้ที่นากรองอันนี้ต้องการจะเน้นเผาวังขจารณะนะหน้ากรองที่เขาเอาหนังมาขึงเย็นกระทั่งตึงแล้วก็เปรียบเทียบว่าไอ้มุมหนึ่งของของกรองใบนั้นเนี่ย มีมาแรงวันจับอยู่แล้วก็มีบุรุษคนหนึ่งเอาก้อนกรวดเนี่ยไปวางอย่างเบาที่สุดที่มุมกลองใบนั่นอีกด้านหนึ่งท่านบอกว่าไอ้มาแรงวันในตามันไวมากเมื่อเราก้อนกรวดไปวางวางอย่างเบาเนี่ยแม้วมจะหันหลังไปทางอีกด้านหนึ่งแต่พอวางแตะปั๊บเนี่ยมันรู้เลยมันจะกระเทือนเลยเตรียมบินเลยกระเทือนปุ๊บบินบ้าเลย มันไวอย่างนั้นเพราะนั้นเวลาเราจะตบตีมแมลงวันให้ตายเนี่ยแอตียากต้องใช้อุปกรณ์เดี๋ยวนี้เขามีอุปกรณ์ตบประกกบเพีย้ยเพี้ยเสร็จเพราะมันไวเหลือเกินถ้าธรรมดานี่มันรู้นั้นไอตัวผวังขจรณนะนั้นจึงเหมือนกับมแมลงวันนะครับที่ต้องการจะบอกว่ามีอารมณ์คือก้อนกรวดมากระทบประสาทคือหน้ากรองแม้เบาๆอารมณ์ก็เบาๆ กระทบก็เบาๆมันก็กระเทือนท่า น, นยิงบอกว่าพระวังขจรณะเนี่ยเมื่ออารมณ์กระทบแล้วไม่ไหวไม่มีจะต้องหวั่นไหวเสมอต้องการจะเน้นเด็ดขาดตรงนี้นะครับเว่าะพระวังคจรณะนั้นไหวอย่างเดียวไหวเสมอทันทีที่อารมณ์กระทบประสาทก็แปล ว, ว่าอารมณ์กระทบประสาทเมื่อใดเนี่ยพระวังคจรณะต้องไหวทันทีเปรียบเหมือนวางก้อนกรธที่หน้ากรองด้านหนึ่ง ที่มีมแมลงวันจับอยู่อีกด้านหนึ่งและอุปมาอีกอย่างอีกจุดหนึ่งที่ท่านว่าไว้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับคือว่าไว้เป็นแบบขาดท่วงต้องการจะเน้นบางตัวให้ดูคือเหมือนกับสำรีถูกสำรีกับคอนถูกสำรีที่ผมอธิบายเมื่อกี้ไปแล้วอันนี้ต้องการจะแสดงความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของอารมณ์ห้าอารมณ์ว่าอารมณ์เบื้องต้นสี่คือ รูปารมณสัทธารมคันธารมณละสารมสี่อย่างนี้เป็นอารมณ์ที่ละเอียดเหมือนกับสําฤทมากระทบที่ปาาระสาทซึ่งก็ละเอียดเหมือนกับสําฤีธส่วนโพธพารมนั้นเหมือนกับอารมณ์เป็นอารมณ์หยาบที่เหมือนกับคอนที่มากระทบสําฤีย่อมทําให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ได้เรากระทบอารมณ์อะไรทั้งทุกอย่างเนี่ยทางกายนะเฉยเฉยไม่มีอลองลองสารวจดูนะครับไอ้ที่เฉยจริงๆรนะิน่ยคือว่ามันไม่ได้มากระทบ นะครับหรือมากระทบแล้วเราไม่ได้รับกระทบถ้าลองกระทบแล้วแล้วเรารับกระทบแล้วที่จะเฉยไม่มีต้องเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างเช่นเศษอาหารติดฟันนะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นทุกข์ใช่มะเศษอาหารติดฟันเป็นทุกข์ตื่นขึ้นมายังไม่ได้แปรงฟันล้างหน้าเป็นสุขเป็นทุกข์เล็กๆน้อยๆหรือเราเราเดินไปต้องฝนเข่าศีษะคันเป็นทุกข์เกียดนิดเดียวก็เป็นทุกข์ แล้วก็นิดเดียวก็เป็นสุขได้นิดเดียวเนี่ยเราถูกลมหรือเราไปสัมผัสอะไรที่ทําให้รู้สึกคันๆไอ้คันๆเนี่ยบางทีมันสุขบ้างทุกบ้างปนๆกันมีทั้งสุขทั้งทุกเนี่ยมันละเอียดอย่างนี้ไม่ต้องไปถึงก็หัวล่างข้างแตกอะไรหรอกถึงแค่เป็นทุกและอุปมาเหมือนกนรรษัตริย์ห้าชนิดอันนี้น่าสนใจหน่อยต้องการจะอันนี้เป็นอุปมาให้คติ ในเชิงปฏิบัติหรือในการสำรวมประสาทว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันมีรสนิยมแตกต่างกันไปเหมือนกับสัตว์ห้าชนิดผมว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างมีอะไรบ้างท่านบอกว่าตาหนะ้าตาเนี่ยเหมือนกับงูตาเหมือนงูนะทำไมล่ะ เพราะว่างูนั้นชอบที่รกตาเราก็ชอบที่รกเดี๋ยวท่านจะนึกเสียงวเอ๊ะฉันไม่เห็นชอบเลยรกๆนี่ท่านไม่ชอบถ้าชอบทั้งก็ไปอยู่ตาลำแล้วหรือไปอยู่ข้างกองอระยาแล้วแต่คําว่ารกของท่านท่านไม่ได้หมายถึงรกอย่างที่เราพูดในทัศนะเบืองสูงเนี่ยรกหมายถึงบรรดาอะไรทั้งหลายแหละ ตู้เย็นทีวีอะไรต่อะไรอยู่ในบ้านเนี่ยแต่ทังแหวนโพ้งแหว น, ววนเปรตีมาประดับนิ้วอ่านิ้วบางคนทั้งห้าเลยครับห้านิ้วเลยไม่มีสิบนิ้วเลยทํางไม่ใานิ้วห้านิ้วเลยชอบเจ้นี่เป็นสุภาพบุรุษนะชอบแต่งกายเวลาจะหยิบช้อนเปิดอาหารแม้รู้สึกว่ามันเบียดเสียดกันเหลือเกินจับภาชนะได้ความยากลําบากอย่างเนี้ยท่านถือว่ารกรก โรคหูโรคตาทำนองนี้นะดังนั้นของพลาเนี่ยท่านชอบลงลงท่านชอบลงลงตาของคนที่ไม่เคยมีกิเลสนะชอบลงลงปลูกบ้านก็ชอบลงลงตัวก็ชอบลงลงไม่ชอบอะไรมาประทุขให้มันมากมายจนเกินไปนักสีผ้าสีผ่อนของพลาก็ลงลงคือไม่มีไม่มีลายอ ย, าาอย่างเราใส่อย่างเราใส่บางทีมีลายถึงไม่มีลายก็สีหลายสีสีสลับบางสีเดียวบาง อย่างเนี้ยมันเป็นลักษณะของความรกถึงว่าอะไรบางทีมันเรียบเรียบเราก็ไปทําให้รกไอ้สมมุติอะมีแผ่นแผ่นอิดสักแผ่นหนึ่งมันเรียบเรียบสนิทเนี่ยเราก็ชอบไปทําให้มันเหมือนเป็นเป็นชิ้นนะไอ้ของที่มันเป็นชิ้นเราก็มาทำมันละเอียดให้มันเป็นผืนเดียวกันทําให้มันกลับตาลปัดแล้วงั้นแหละพราะนั้นตาเราเนี่ยถ้าอยู่ๆบากเอาเราไปดูอะไรกันเถอะครับ ไปดูกันเลยมองไปแล้วมีแต่ความว่างไม่มีอะไรทั้งนั้นเราไม่อยากดูใช่ไหมแต่จะบอกไปเถอะครับผมจัดนําเที่ยวแต่ท่านไปกับผมแล้วท่านจะได้ดูนั่นดูนี่เราไปยิ่งลกมาเท่าไหร่เรายิ่งชอบไปนะหรือบอกเอาไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้เธไปแล้วมีแต่ทะเลทรายสุดลูกหูลูกตาเราก็ไม่ไป เ, เพราะมันไม่ลกนี่ดังนั้นตาเราจึงเหมือนงูงูนะ่ะชอบที่รกที่ลงลงไม่ชอบอยู่ เวลามันมันมาที่ลงมันจะต้องรีบรีบไปให้พ้นเรื่องกลัวอันตรายมันอย่างสมมติว่างูเลื้อยข้ามถนนเนี่ยมันรีบไปเลยมันไม่อยู่นานจะต้องไปสู่ที่รกๆและถักที่ร ก, ก, กหมดไปมันก็ล่นหนีไปหาที่ลกอื่นๆต่อไปสองหูะาวาัยหูของเรานั้นเหมือนกับจระเข้ที่เปรียบเหมือนจระเข้นั้นเพราะจระเข้นั้นชอบ วังวนคือที่ที่สงบสังัดมันไม่ชอบที่มีเสียงเจียวเจ้าเจียวเจ้าไม่ชอบไอแหล่งน้ำที่ไหนมีมีเสียงเียวเจ้จะหนีไปอยู่ที่ที่สงบอันนี้ต้องการจะเปรียบเทียบว่าไม่ได้แปลว่าหูเราชอบสียงั่แต่หูเราเนี่ยชอบเสียงที่สบายที่รื่นหูเสียงใดไม่เป็นที่รื่นหูเราไม่ชอบจริงั้มล่ะเราชอบเสียงที่เป็นที่รื่นหูมันจะดังก็ให้ดังแบบรื่นหูก็แล้วกัน ถ้าค่อยๆค่อยแล้วไม่ลื่นหูเราก็ไม่ชอบแต่ค่อยแล้วลื่นหูเราก็ชอบเหมือนกับเจลละเคที่ชอบวังวนเป็นที่รื่นสงบนะครับต้องการเปรียบเทียบในแง่นั้นในแง่ความราบรื่นในทางโสตประสาททางคารณทวาลนั้นท่านเปรียบเหมือนกับนกนกเพราะอะไรเพราะว่านกนั้น เป็นสัตว์ที่โครจรไปในอากาศย่อมชอบที่โปร่งที่ว่างใช่ไหมเวลาไปในอากาศเนี่ยถ้าพี่โปร่งก็มันก็คงจะพูดได้ว่าเหมือนปลากระดีได้นะ้ำนกได้อากาศนกได้ที่ว่างยิ่งว่างมากมันก็มีอิสระมากจ้มูกเรานั้นชอบดมกลิ่นดมกลิ่นกลิ่นเนี่ยมก็มาตามที่ว่างที่โปร่งๆเราจะรู้สึกว่าปลอดโป่งนะฮะปลอดโปร่ง นี่โดยการเปรียบเทียบโดยอาการทางความรู้สึกเหมือนนกและประสาทต่อไปประสาทลิ้นนั้นเปรียบเหมือนกับสุนัขบ้านแล้วผมเลยไปถึงประสาทกายเหมือนกับสุนัขป่าสองอย่างนี่ควรพูดคู่กันแปล ว, ว่าหมาบ้านกับหมาป่าเอาเนื่องจากว่าใช้สุนัขเป็นอุปมาด้วยกันทั้งคู่ทางประสาทกายนะ่ะทำไมถึงเปรียบเหมือน สุนักป่าหรือหมาป่าที่เรียกสุนักจริงจอ่อเอาตัวนี้ก่อนจะทำให้เข้าใจข้อหลังง่ายขึ้นเพราะว่าสุนักป่านั้นมันชอบมั น, มนที่ไหนที่มันชอบที่สุดเลยสุนักป่าตัวนักจริงจอเชอบป่าชา้าชอบป่าชา้าไอที่ป่าช้าเนี่ยสุนักมันชอบไปเกลือกริ้งชอบไปแทะกระดูกชอบนอนชอบคลุกอยู่ในนั้นแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนั่นถ้าเราเดินสวนสุนักป่าจะได้กลิ่น กลิ่นสังติดตัวสนุนัขเหม็นชวนลําบากใจเข้าจมูกเราทีเดียวทําไมถึงเปรียบเทียบอย่างนี้รู้ไหมเพราะว่าภาษกายทวารของเราเนี่ยเราชอบสัมผัสศพเหมือนกันแต่ว่าเป็นศพมีชีวิตเป็นศพมีชีวิตนี่ในทัศนะเบื้องสูงนะว่า้เราเนี่ยมันก็เป็นศพที่มีวิญญาณครองใช่ไหมคนอื่นสัตว์ที่เราเลี้ยงเอามาลูกมาคลำ มันก็เป็นศพที่มีวิญญาณครองถ้าเอาวิญญาณออกไปแล้วก็มันก็ศพเท่ากันเป็นศพเป็นแล้วก็มันมีความสกปลกยังไม่ตายก็ตักปลกตายแล้วก็ตปลกเนี่ยม น, นุษย์ในกามภูมิเราเนี่ยเราทันวาชอบชอบสัมผัสกายได้กายเข้าเครงกายได้กายนี่ในทัศนะเบื้องสูงว่า ง, งันเราเป็นศพกายกาย ที่ต้องการสัมผัสกายจึงเหมือนกับต้องการสัมผัสศพแล้วก็ชอบคลุกคลีคลุกคลีอยู่กับศพจะสัมผัสแบบไหนก็ตามด้วยการคลุกคลีก็คือว่าเหมือนกับอยู่ปรชาช้ามันเข้ามาอยู่ในอนาบริเวณปราช้าที่ว่าเราเป็นสัตว์หมู่สัตว์หมู่เราจะไปอยู่คนเดียวเหมือนพระตูดงที่ท่านอยากอยู่คนเดียวอย่าไม่ต้องพูดถึงใครจะมาถูกมาต้องตัวท่านมาโนดมาฟันท่านเลยแม้แต่อยู่ก็พูดกับคนท่านก็นไม่ชอบท่านชอบหลีกเล่นอยู่คนเดียวในทางเน่คัมมา ก็เป็นอย่างนั้นแต่อย่างวิสัยของการบุคคลทั่วไปนั้นชอบคลุกคลีนั้นท่านจึงบอกว่าการคลุกคลีด้วยหมูด้วยคณะในบทสอนผู้ที่เจริญพระกรรมฐานนั้นเป็นตัวถ่วงถ่วงความเจริญในธรรมเบื้องสูงการคลุกคลีด้วยหมูด้วยคณะการนอนนอนมากเห็นแก่นอนหรือการประกอบภารากิจการงานนอกเรื่อง นอกวัตถุประสงค์นี่การเป็นคนที่วงส่านพูดคุยมากอะไรพวกนี้นะครับรวนแล้วแต่ทําให้ความเจริญในธรรมตดถอยในทางปฏิบัติทีนี้ที่อุปมาสุนักบ้านเหมือนกันลินนะเพราะว่าถามว่าทําไมสุนัขบ้านมันถึงติดติดบ้านติดเจ้าของบ้านมันติดอะไรรู้ไหมมันฝากทองไว้กับเรานะ พูดงอายฝากลิ้นไว้กับเราอย่างน้อยๆก็ให้น้ําข้าวมันกินเนี่ยมันอยู่กับเราถ้ามันไม่อาศัยเราก็ไม่มีที่กินจะไปอยู่ในป่ากินศพกินอะไรเหมือนสุนัขป่ามันก็ไม่ไม่อาจจะอยู่กันได้เดี๋ยวมันก็ถูกฟาดถูกกัดไม่ใช่พวกนั้นมันจึงต้องอยู่กับเราอาศัยเรากินเหมือนกับติดรถติดรถหัวปลากระทูก้างปลาเศษอาหารที่เราให้มันกินทุกๆวันลิ้น จึงเป็นตัวติดรถเหมือนกับสุนัขติดบ้าน น, น, น, นี่เป็นอุปมาอีกมุมหนึ่งของปัญจสวานวิถีแล้วก็ไปดูตาทาละพนธะที่มีอธิบายแบบกระโดดเอาไว้เหมือนการหยุดวิ่งที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าตัวตาาลพนะเป็นตัวหน่วงเพื่อจะลงความหลับต่อไปหลังจากที่เกิดวิถีติดไปแล้วเจวนาเป็นตัวแล่นเป็นตัววิ่งมาด้วยกําลังแรงจะหลับมันจะต้องมีตาาลนธะเป็นตัวหน่วง นั้นก่อนที่จะหยุดวิ่งนั้นจ ะ, จะต้องก้าวเท้าคือชะลอการวิ่งโดยการก้าวเท้าช้าลงสองสามก้าแล้วจึงหยุดได้แล้วก็เปรียบเหมือนกับพายเรือตัดน้ําเชี่ยวพายเรือตัดน้ําเชี่ยวนั้นถ้าใครเคยพายเรือตัดน้ำเชี่ยวก็รัวน้ําที่ไหลมาแรงๆเนี่ยเราจะพายเรือถ้าพายเรือตามก็เลยไปได้เลยแต่ถ้าพายเรือตัดนั้นไอแรงน้ําไหลเนี่ย มันจะทําให้เรือของเราไปตามกระแสน้ําในทิศทางที่เราไม่ต้องการจะไปนะหรือเราต้องการจะพุ่งไปขนาดแต่อํานาจแรงดันของน้ำเหมือนชวนาะเนี่ยทําให้เรือเรานั้นต้องไปตามกระแสของน้ําตามสมควรแก่แรงดันของน้ำเราจะต้องรีบพายตัดกระแสไปได้ตัว น, นี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกับตถาที่มันจะต้องมีการล้างหรือถูกไอแรงดันของชาวนานะ ให้คล้อยตามมันไปก่อนสักเล็กน้อยก่อนที่จะดำเนินไปสู่ฝั่งคือความหลักด้านนี่เป็นอุปมาถ้าผมถาม